ธรรมะกรรมทวาทสกะว่าด้วยอุเคปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปที่ชอบธรสิบสองหมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายอุเคปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปประกอบด้วยองค์สามที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรม เป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับไม่ดีคือ 1. ลงต่อหน้า 2. ลงโดยสอบถามก่อน 3. ลงตามปฏิญญาภิกษุทั้งหลายอุเขปณิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรม เป็นกรรมชอบด้วยวิัยและระงับดีหมวดที่สองภิกษุทั้งหลายอุคเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวิัยและระงับดีคือ 1. ลงเพราะต้องอาบัติ 2. ลงเพราะอาบัติที่เป็นเทศนาคามินี 3. ลงเพราะอาบัติที่ยังไม่ได้แสดงพิกษุทั้งหลายอุคเคปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แหลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวิไนและระงับดีหมดที่สภิกิุทั้งหลาย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 อุกเคปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวิไนและระงับดีหมวดที่สภิกษุทั้งหลายอุเคเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรม เป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือ 1. ลงต่อหน้า 2. ลงโดยชอบธรรม 3. สงพร้อมเพรียงกันลงภิกษุทั้งหลายอุเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดี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 เป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีธรรมกรรมมทวาทสกะในอุเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปจบ